การแจกอาหารมันเป็นแนวแถวของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลจะมีพระเรียกอะไรก็เรียกอะไรโภคพระที่แจกอาหารแล้วก็แจกเสนาสนะแจกพระไปรับนิมนต์แต่มีใครมานิมนต์เศรษฐีพ่อค้านิมนต์เท่านั้นรูปตัวนี้รูปนะ่ะพระ เป็นพันต้องแจกไปให้เฉลี่ยเฉลี่ยไปองค์คนละเท่าไหรเท่าไรจะน่าก็แจกอาหารพวกเราเห็นน่ถ้าอาหารอุดมสมบูรณ์ก็ไม่มีปัญหาแต่ที่เผื่ออาหารมันน้อยบางวันก็น้อยบางวันก็มากอติเลกาลาบเกิดขึ้นในสงในพระสงฆ์ก็ต้อง ต้องมีพระที่แจกเฉลี่ยกันเวลาแจกก็ตักใส่บาตรถ้าบาทไหนมากแล้วก็เอาใส่บาตรที่น้อยถ้ามันมากพอสมควรแล้วก็พอก็ตักใส่ทิศน้อยแล้วก็อออกไปไม่ใช่ว่าจะตักให้ล้นบาตรเพียงดูท้องของเรากับท้องของหมูเพื่อนก็เหมือนกันนั่นแหละตักพอประมาณ จากนั้นก็ส่งออกส่งออกแต่ก็ต้องตักให้เขาบ้างแต่สำหรับหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าอันนี้ก็ต้องจัดทายาตโยมามาถ้าไม่แสลงต่อธาตุขันจริงๆหลวงพ่อก็จะตักตักเพื่อให้ผู้ที่นำมาถวายสบายใจถ้าตักมาแล้วก็นั่งเฉยเอาไปเรื่อยผู้ที่มาทำบุญทา ท, าทานโอ้ หลวงพ่อไม่ฉันอาหารให้พวกเราผลที่สุดลูกน้องก็จะอดไปหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็ที่เป็นหัวหน้าเนี่ยสำคัญนะจะต้องได้รับเอาไว้อย่างที่หลวงพ่อเคยพูดหลวงตามหาบัวท่านพูดท่านเจ้าคุณจมเด็จมหามมนีวงศ์ที่ท่านเคยไปอยู่ด้วยสมัยท่านเป็นเจ้าคุณหลวงตายัางเป็นพระน้อยฮะ ไปศึกษาปริยัติธรรมในวัดของท่านวัดภรษษีทานจุกุลตรงปู่สมเด็จท่านก็บอกโอ้ในช่วงนี้เราฉันชาไม่ได้ว่าแล้วฉันชาเข้าไปแล้วมันท้องผูกใครมาท่านก็บอกโอ้ฉันชาไม่ได้มันผิดปกติฉันชาแล้วท้องมันผูกพราเขารู้ว่าท่านเจ้าคุณท่านไม่ฉัน ชาแล้วก็ไม่มีใครเอาเอาชามาถวายท่านเลยพวกชาวชาอะไรพระในวัดที่เคยฉันที่พระมากนี่แ่เน่ยในวัดเ่ยเป็นร้อยอ่ะร้อยสองร้อยพระก็เลยอดไม่ได้ฉันไปด้วยเพราะว่าท่านจุคุณใหญ่ท่านบอกว่าท่านฉันชาไม่ได้ไม่มีใครถวายตะกอนถวายท่านเลยก็ท่านก็แจกพระไปถวายมาเถอะกระแจกพระไปโภชนิสุด ไม่มีชาไม่มีชาฉันเท่นี่พระเขาเลยกราบเรียนท่านว่าพวกลูกศิษย์ไม่มีชาจะฉันแล้วงั้นเพราะว่าท่านเจ้าคุณใหญ่บอกว่าไม่ฉันชาอ๋อถ้างั้นเราพูดใหม่ใช่ไเราจะพูดใหม่ใชทีนี้เขาเอาชามาเทานี่เอาชามาถวาย ท่านบอกว่าชาไม่ดีเน่ยชาราคาต่ําๆเนี่ยชาที่เขาเก็บมาเนี่ยถ้าชงไปแล้วสีแดงเนี่ยมันฝาดนะมันท้องผูกเนีถ้าชาดีๆชงไปแล้วน้ำช้ใสเนี่ยเราฉันไปแล้วก็มันไม่ผูกถ้าฉันชาดีๆนะถ้าฉันชาไม่ดีเนี่ยท้องผูกจากนั้นมาเขาเลยเอาชาดีมาถวายหลวงปู่อีกเลย ถ, าถาวายท่านเจ้าคุณอีกท่านเจ้าคุณเลแจ ก, กลูกน้อง วุฒหลุดเลยวะอันนี้หัวหน้าในี่ยสำคัญนะถ้าหัวหน้าบอกว่าอันไหนไม่ดีเนี่ยโดยมากมันจะแห้งใ น, นวัดเพราะนั้นจะไปพูดไม่ได้ว่าอันนั้นชอบอันนี้ไม่ชอบเพราะงั้นแตะอะไรมาเอาชันได้หมดเพื่อว่าหัวหน้าไม่ชอบลูกน้องก็ฉันยังชันได้ น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือการที่เป็นหัวหน้าต้องมองหลายๆมุมหลายๆด้า น, นแล้วก็พร้อมกัน สมัยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านเดินทุดงในป่าในสมัยนั้นก็พี่น้องประชาชนคนที่นับถือเลื่อมใสมันก็ไม่เหมือนยุคสมัยนี้ขาดเหลือขาดตกบางทีก็ไปในหมู่บ้านของเขาแต่ครั้งหนึ่งพระอุปชาของหลวงพ่อเนี่ยพูดให้ฟังหลวงปู่กงแก้วท่านพูดให้ฟังฟังฟั ง, ฟงดูแล้วก็อืน้ําใจของ รูบาอาจารย์ที่จะดํารงทรงศาสนาประกาศพระศาสนามาถึงพวกเราเนี่ยสู้ทนทุกข์ทรมานในเรื่องปัจจัยสี่ไม่น้อยเหมือนกันบางทีบางแหง่งบางหมู่บ้านไปบินธบาต ท, ท่านบอกวา่าพระสิบกว่าองค์พระสิบเจ็ดสิบแปดองค์ไปบินธบาตได้ไข่มาเจ็ดแปดลูกเลยไข่ไก่พอได้ไข่มาแล้วก็อนี่แหละ ใช้ฟ้าบาทน่ะฟ้าบาททองเหลืองสมัยนั้นนะพอฟ้าบาททองเหลืองมาท่านเกิดโดยมากมีตะพะขาวไปด้วยตะพะขาวนะี่คือผวกเลือผวกพลิกที่จะไปฉันสมอเวลาเดินทุดงไปมันไม่ทายมันท้องผนะูกก็ต้องได้ฉันคําป้อมสมอก็ต้องมีตะพะขาวตะภายเกลือไปด้วยแต่นี้พอไม่มีอาหารฉัน่ มีไข่ได้ไข่มาเนจะ็ดแปดลูกมาแล้วมาขยำใส่ฟ้าบาดเนะียพอขยำใส่ฟ้าบาดเสร็จแล้วก็เอาเกลือลงพ่อเอาเกลือลงเสร็จแล้วก็ให้แต่พระขาวไปเอาใบมะม่วงเนยะพระกี่องค์พระขาวกี่คนว่างั้นก็ทําเป็นกลวยแล้วก็ถวายแต่และองค์ลงค์งค ง, งแต่ก็ตักที่ไขนะ่ขยำกับ ที่ฟ้าบาทน่ะตักใส่กลวยใส่กลวยใส่กล ว, วยแล้วก็แจกไปให้พระให้ครบทุกองว่ากั้นเราคิดดูสิว่าเอาเข้าเหนียวจิ้มกี่คำํำว่ากั้นในใบมะม่วงนั้นน่ะแต่ท่านก็ให้ทั่วถึงแากให้ทั่วถึงเอาแจกเอาทุกองค์นี่แหละท่านไปอยู่ด้วยกันท่านมองกันท่านจึงได้เป็นพึกแผ่นขึ้นมาจึงได้มีการ ปรกาศเผยแพร่ธทำคําสอนมาถึงพวกเราท่านทั้งหลายด้วยน้ําจิตน้ําใจของครูบาอาจารย์ในยุคนั้นจริงๆอยู่ด้วยความยากลําบากด้วยปัจจัยสี่แต่ใจของท่านเนี่ยเกินร้อยว่างั้นแต่ว่าธรรมะที่ท่านได้ศึกษาจา ก, จากครูบาอาจารย์จากนั้นก็ท่านนําไปประพฤติปฏิบัติประปรุงกายวาใจาใจของท่านก็นำธรรมะมาเผยแพร่ ประกาศศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมเขเคารพนับถือเลื่อมใสเพราะได้ปฏิบัติแล้วก็จริงจังเพราะธรรมะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราสอนไปเนี่ยเป็นธรรมะปัจจตังผู้ปฏิบัติยอมรู้จริงเห็นจริงตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั่งสมาธินะนั่งอย่างนี้กําหนดใจอย่างนี้พอกาหนด ลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกไม่ให้มันคิดไปทางอื่นให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะให้ใจอยู่กับหายใจเป็นหนึ่งเดียวนะเมื่อใจเป็นหนึ่งเดียวจิตใจก็รวมสงบเมื่อจิตใจรวมสงบก็รู้ได้ว่านี่แหละคำว่าสงบคำในสมาธิคำนี้มีความสุขอย่างไรก็พูดได้เยเพราะเหตุใดเพราะได้ผ่านความสงบ จิตใจได้รับความสงบมาแล้ว น, ะนี่แหละอันนี้คือของจริงท่นี่จากนั้นเมื่อต่างคนก็ต่างได้ภาวนาได้ปฏิบัติทำคำสอนของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วก็จบไปถ้าผู้นำไปปฏิบัติแล้วจะซึ้งในธรรมจากนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้ปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปให้พิจารณาอย่างนั้นนะให้แยกแยะอย่างนี้นะ ก็จะรู้ได้ด้วยตนเองไปตลอดจากนั้นก็มีผู้คนลูกหลานทั้งหลายกันในบวชในพระพุทธศาสนาจินได้แพร่หลายถึงขนาดนี้แหละเพราะนั้นปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยเป็นปฏิปทาที่อดอยากพูดอย่างนั้นได้ขึ้นมาถ้าจะว่าไปเลยขึ้นมาจากศูนย์ว่างันเถะท่านก็พยายามแต่ถึงยังไงก็ตามมาถึงยุคนี้สมัยนี้ถึงจะร่ารวยยังไงก็ตาม ท่านว่าอย่าลืมตัวนะถึงจะมั่งมียังไงก็อย่าลืมตัวให้ใช้ด้วยความประหยัดให้ใช้ด้วยความรอบคอบเพราะสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ศรัทธาญาติโยมถวายมาเนี่ยถวายบูชาพระพุทธเจ้าเราเนี่เป็นส่วนหนึ่งพระสงฆ์เข้ามาเนี่เป็นส่วนหนึ่งเข้ามาพึ่งพาอาศัยบา ร, รมีของพระพุทธเจ้า เพราะนั้นอย่าล so so, <Yeah. S 2> ืมตัวอย่าเป็นว่าจะคิดว่าเป็นสมบัติของตนเองอย่าไปคิดว่าเป็นของตนเองให้ถือว่าเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดมันจึงจะไม่ลืมตัวถ้าว่าเราถือว่าเป็นสมบัติของเรานะลืมตัวได้ง่ายมันลืมตัวได้ง่ายเพราะเหตุไรเพราะเขามาให้เราเนี่ยต่ไม่จริงเราคํำนี้นะมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเถแต่ตามไม่จริงมันไม่ใช่ของเรานะถ้าตัวของเราไปเป็นครวัตจะมีใครถวายไหม ถ้าเราไปเป็นคลาวาสชะสึกออกไปชาสหรือไปทําตัวอย่างอื่นชาไม่ใช่ยูนิฟอร์มนี่นะเขาจะให้เราไหมไม่ให้ทำมาให้เพราะอะไรเป็นบารมีของเราและเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องลําลึกต้องคิดให้ดีในเมื่อเราได้อาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าอาศัยอติเลกราบของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการใช้อะไรก็ตามต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง อย่าไปลืมตัวฟุ้งเฟ้อฟุ่งเฟยในปัจจัยสีท่ทได้มาโดยเป็นธรรมแล้วก็เออพอที่จะแจกเฉลียให้แก่ผู้อื่นที่ยากจนกว่าเรามีตั้งเยอะแยะในโลกเนี่เมื่อเราได้แล้วก็ออเออเฉลือเผื่อแผ่ไปต่อมวลมนุษย์ในเมื่อเขาให้เราเขายังให้เราได้ในเมื่อเขายากจนเขายากจนกว่าเราเขาทุกข์กว่าเราเราก็ให้เขาได้ เพราะนั้นไม่ใช่ว่าเขาให้เราแล้วเราให้คนอื่นไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นในเมื่อเขาให้เราเราก็แบ่งให้สาธารณชนโรงพยาบาลโรงร่ำโรงเรียนสาธารณประโยชน์สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ในชุมชนสังคมแล้วก็เฉลีย่ยเฉลี่ยไปให้เกิดประโยชน์นี่แหละอันนี้ก็คืออติเลกาลาบได้มาโดยเป็นธรรมแบ่งปันโดยเป็นธรรม อันนี้ถ้าว่าเราคิดได้อย่างนั้นไปอยู่นสถานที่ใดไม่ทะเลาะกับใครทั้งหมดแล้วก็ไม่กอบโวยอีกไม่ทะเลาะกับใครไม่ผิดกับใครอีกเพราะเราถือว่าได้มาเพราะบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าได้มาน้อยได้มามากนีได้มามากก็ไม่ลืมตัวได้มาน้อยก็ไม่เสียใจเห็นเพราะเหตุไรเพราะว่าเราคงไม่ได้ทําบุญไม่ได้สั่งสมบา ร, รมีไว้ในอดีตชาติ เราจรึงไม่มีบุญสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไว้ว่ามันมาด้วยบุญตนเองส่วนหนึ่งเป็นบุญบา ร, รมีของพระพุทธศ า, าสนาอันนั้นคุ้มครองเราอยู่แล้วแต่ว่ายังมีอีกอย่างบา ร, รมีของตนเองอีกต่างหากคือพระบางองค์ในครั้งพุทธกาลบินทบาทขนาดบินทบาทยังไม่พอฉันบินทบาทมาแล้วไม่เคยอิ่ม เดินบินทบาทถ้าเขาว่าเอ๊ะพระ อ, องค์นี้บินทบาทไม่มีไ ม, ไม่ไม่พอฉันนะเขาให้เดินนําหน้าแต่คนที่จะใส่บาทเขาก็ทกํากุกกิเกตคล้ายๆกับว่าจะใส่บาทองค์นี้ก็เดินไปสักเขาก็ใส่องค์ที่สามที่สี่ที่ห้ามาการว่าจะให้ใส่องค์กลางพอใส่เข้าไปเขาก็ใส่ไม่ทันสะกเฮทั้งที่ท่านก็ยืนคอยแต่เขาเปนั่นะ่ะ มันมีอันเป็นไปมันสรุปแล้วคือกรัมตอนนี้มันมันเบียดบังว่างไงแต่ถ้าอยู่องค์สุดท้ายไม่ต้องพูดถึงอาหารหมดก่อนว่าไงแต่เนี่ยจนเป็นที่เรื่องลือกันในครั้งพุทธยากเป็นลูกศิษย์ภาษาเรีบุตรอีกต่างหากนะไปบิณฑบาตไม่พอฉั้นภาษาเรียบุตรก็รู้ที่นี่ไปไงลูกศิษย์ของเราเนี่ยทาไมถามท่านว่า ผมตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่ทานอาหารไม่เคยอิ่มเลยครับถามพระอุปชาเออเอาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะใส่บาดให้พ่อใส่บาดให้พระสารีบุตรจับขอบบาดจับขอบบาดว่างั้นเถอะให้ลูกศิษย์ฉันว่างั้นเถอะท่านก็ฉันเลยว่านะฉันฉันฉันฉั น, นจนอิม่มอิ่มครั้งเดียวน่ะจากนั้นท่านก็บอกว่าเจะผมขอลาปริปรนิพาน ทั้งที่ดนท่านได้เป็นพระอรหันนะท่านได้สาเร็จเป็นพระอระหันแต่ท่านบินธรรมบาตไม่มีอตเตเลกรลากจากนั้นท่านก็ปรินิพานเลยพระอรหันปรินิพานง่ายนะพอออกจากร่างท่านนะั้นะร่างกายนะั้นก็หมดสภาพไปเลย จ, จบจบแั้นแหละพระสงฆ์ทลายได้กราบทูลพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเขามีกลัมในอดีตในอดีตชาติของเขาทํากลัมมาไม่ดีเขาจึงในอดอยากนะ่ย อันนี้ก็คืออันหนึง่งท่นี้อย่างพระสิววัลี่าเป็นผู้มีอติเลกาลาบมากเลไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหมืดฟ้ามัวดินคนทําบุญทําทานกับท่านพระพระุทธเจ้าเนี่ยพระสิววลีเขาตั้งความปรารถนากับพระพระุทธเจ้าที่เขาได้ถวายน้ําพึ่งกับพระพระุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์แล้วก็ตั้งความปรารถนาเพราะนั้นพระสิววลีท่านจึงล่ํำรวยไปณสถานที่ใด คนก็รวยสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ห้าร้อจะไปเยี่ยมน้องชายของภาษาลิบุตรชื่อสมมมเนีเลวตะอยู่ในป่าดงมันทางไกลพระพุทธเจ้าไปกับพระสงฆ์พอไปถึงทางสองแพ่งพระอานนท์เลยกรกาบทูลพระพุทธเจ้าว่าจะไปทางทางตรงหรือจะไปทางอ้อม ทาง อ, อ้อมมันจะต้องเดินทางไกลเกือบเท่าหนึ่งแต่ถ้าไปทางตรงเนี่ยเดินทางไม่ไกลแต่ว่าไม่มีบ้านคนกันดารในอาหารไม่มีสายทางในการอาหารไม่มีใครใส่บาตรพระสูงขนาดนี้คงจะอดพระพุทธเจ้าถามพระอา น, นุ์ว่าสิวเลมากับพวกเราไหมเนี่ย ขนาดพระพุทธเจ้าได้ยังได้พึ่งบา ร, รมีของพระสิวลีอยงั้นได้สิวลีมากับพวกเราไม่เนี่ยมาพระเจ้าขาเออมาไปทางตรงพระสงฆ์ก็เลยเดินไปทางตรงเลยกับพร้อมกับพระพุทธเจ้าพอไปถึงตอนกลางคืนจวนจะสว่างเทวดาจําแรงเป็นมนุษย์แลยย้วงั้นไดะโอ้พระผู้เป็นเจ้าสิวลีพวกเรามาแล้วพวกเราเตรียมตัวใส่บาตรนะ ทั้งแนะนำมนุษย์ด้วยทั้งเทวดาด้วยมาใส่บาตรพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์กูบาอาจารย์พระสงฆ์ทั้งห้ารอรูปพระศิวลรีเป็นเป็นหลักมางั้นเถะนี่แหละพระพุทธเจ้าเดินทางจนถึงสัมเนรสเวตะจนได้ในครั้งนั้นนี่แหละคือเป็นการประกาศว่าผู้มีบุญผู้ได้สั่งสมบุญไว้แล้วผู้ได้ทำบุญไว้ดีแล้วบุญกุศล น, นั้น บารมีของคนนั้นก็จะขึ้นกับคนคนนั้นได้แต่ถ้าว่าใครไม่มีบุญก็อย่างที่ท่านพระติสะบินทบาทไม่พอฉันนั่นอันนั้นก็มีสรุปแล้วก็คือสุดโตงทางรวยแล้วก็สุดตงทางจนว่างั้นได้พระในครั้งพระพุทธเจา้าในพระไตรปิฎกท่านพูดไว้อย่างนั้นคนรนั้นกลัมคือการกระทําถ้าไว่าไทยทำกลัมไว้ไม่ดีกลัมนั้นจะตามสนอง ถ้าว่าใครทำกรรมดีกรรมนั้นก็จะตามสนองเพราะนั้นพวกเราอย่าคิดอย่าคิดเบียดเบียนคนอื่นเขาอย่าคิดกลังแก่เบียดเบียนเขาอย่าคิดฆ่าเขาอย่าไปคิดพยาบาทอาฆาตจองเวรกับเขาถ้าเราคิดดีจิตใจเป็นกุศลการกระทาก็ดีเพราะมันคิดดีแล้วการพูดออกไปก็ดีเพราะเราคิดดีแล้ว ถ้าว่าคิดไม่ดีจิตใจขุนมัวจิตใจเป็นอกุศลจิตใจผูกพยาบาทอาฆาตอยู่การกระทาออกไปก็กระทำไปในทางที่ไม่ดีการพูดออกไปก็พูดไปในทางมีแต่คิดจะทำลายคนอื่นเขาในเมื่อเราคิดไม่ดีแล้วทำไม่ดีแล้วพูดไม่ดีแล้วกรรมที่ไม่ดีนั่นจะต้องเข้ามาหาใครเข้ามาหากรรม้าก็เข้ามาหาผู้ที่คิดนั่นแหละผู้ที่คิดผู้ที่พูด ผู้ที่ทำนะ่ะไม่ไปไหนหรอกให้โทษแก่ท่านโทษนั่นถึงตัวให้กรัมความทุกแก่ท่านทุกนั่นก็ถึงตัวถ้าว่าเราไปนินทาคนอื่นเขาความต่อไปภายภาคหน้าความนินทานั่นแนหะจะมาลุมมาลุมมาตุ่มเราพอนั้นพวกเราถึงจะเกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็เถอะนะถ้าว่าเขามาพูดหาเรื่องให้เราหรือเขานิ น, น, นทาเรา เขาว่ากล่าวเรามันก็คงจะเป็นวิบากกรรมของเราในอดีตชาติเหมือนกันพวกเราก็ต้องได้คิดอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะพวกเราเกิดมาหลายภพหลายชาติบางชาติก็คงจะอิจฉาตาเหลือคนอื่นเหมือนกันไปว่ากล่าวให้คนอื่นเขาเพราะนั้นเขาก็แก้คืนบ้างแต่บางครั้งเขาอาจจะตั้งต้นใหม่ก็ได้แต่ถึงเขาตั้งต้นใหม่เราก็จะไปพยาบาทอาฆาตเขาให้อภยัยถ้าเราให้อภัยแล้ว เรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็จบลงก็ไม่มีอะไรถ้าเราไม่ให้อภัยผูกพยาบาทอาฆาตเขาเขากัดทางแล้วก็กัดขาเขากั ด, กดไปกัดมากันโนเนี่ยกันไปไม่มีที่สิ้นจุดเหมือนกับหมากัดหมาอย่างนั้นเวนียนย่อมระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวนีนเวีจะระ ง, งับไม่ได้ด้วยการจองเวนีนเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอย่าไปจองเวีนกับใครๆทั้งหมดไม่ให้จองเวีนกับใครให้อโหสิ แล้วก็ให้อภัยแล้วก็มีเมตตาในใจอีกตั้งหากข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาฮะถ้าเราคิดได้อย่างนี้นั่นแหละเราอยู่ที่ใดก็เป็นสุขในใจถ้าว่าคนที่ภาวนาอย่างนั้นเมตตาอย่างนั้นจะไม่มีเวรภัยเลยใช่ไหมใช่ถ้าเวรภัยใหม่ที่จะก่อขึ้นมาเนี่ยจะไม่มี ถ้าเป็นเรื่องของเก่าเป็นวิบากกรรมของเก่าในอดีตชาติที่เราไปทำเขาไว้แล้วอันนั้นเราหลีกลี่หนีไม่พ้นเราจะต้องได้รับกรรมที่ตนได้กระทาไว้แล้วหนีไม่พ้นแน่แต่ถ้าว่าเรากำใหม่ที่จะเกิดขึ้นมานี้ถ้าเรามีเมตตาอยู่ตลอดถึงเขาจะเกา อ, อยังไงมันก็ไม่ติดเหมืนั้นแ่ะเพรา ะ, ะเรามีน้าอยู่ในใจของเรามีน้าคือเมตตาของเราอยู่ในใจ เขเอาไฟมาจี้มันก็ดับไปแต่ถ้าเราไม่มีตัวนั้นขึ้นมาพอเขาจี้ขึ้นมาเราก็โผงขึ้นมากันสู้กันเลยท่านหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไปเลยแล้วท่นีน่งมาพูดให้ข้าทําไมวะข้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ไงผลที่สุดก็เลยเรื่องก็เลยตระเวนเปิดเปิงไปท่นีน่งกว่าจะรู้ได้พคนนู้นล่ะไม่มีที่สิ้นสุดนะแต่มีการจองเวรกันอยู่ จนถึงนิพพานเมื่อไหร่ต่างคนต่างไปนิพพานเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหะจึงจะจบเพราะงั้นเพราะนั้นเราอย่าอย่าไปผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดยินดีให้อภัยนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นนะสอนพวกสิทธิอนุสิทธิ์ลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้านะเพราะนั้นขอให้พวกเราถึงจะไม่ได้ขนาดนั้นก็ฝึกหัดจิตใจของเราแม้จะได้หน่อยนึงก็ยังดี ให้อภัยคนอื่นเขาได้นิดหน่อยก็ยังดีนะเอาละพรที่อนุโมตนาให้พร